พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าต้นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูป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 ครูบาทั้งหลายช่ว ย, วยดูนะทาหลวงพอ่อยังนั้นก็ให้บอกบอกหลวงพ่อด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปดูด้วยกันเ้าจะวางแผนว่าเมื่อเอาพลามาแล้วเราจะเอาเข้ายัางไงเอาเข้าฐานเอาเข้าแท่นยังไงพราะลาเนี่ใหญ่นะหน้าตักึ่งสามเมตรสองเมตรหรือสามเมตร แล้วก็ความสูงอีกแต่เป็นสองท่อนท่อนหนึ่งก็คือฐานฐานพระประธานและก็องค์พระประธานารวมกันแล้วก็เกือบสีห้าเมตรเองความสูงของพระแล้วก็มีพระสาวกอีกสององค์ส่งถึงที่ข่าแกะค่าอะไรพร้อมหมดทั้งหินทั้งหลายส่งถึงที่ ส8มล้านแปดแสนห้ามื่นะแล้วก็เป็นหินของประเทศสเปนเป็นหินดำประเทศสเปนหลวงพ่อที่แรกก็คิดว่าจะเอาพระทองเหลืองลงรักปิดทองเหมือนกับองค์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยพระประธานของเราอันนี้ท่านไปอยู่ในที่แจ้งที่โลง่ง แคงจะถูกหมอกถูกไอฝนถูกขัางคงข้างคาายิงจกตุกแกมันอยู่ในที่โล่งอาจจะมีนกมาเ ก, กาะ จ, จะขี่รถดูๆแล้วก็ไม่เหมาะที่จะมีพระประธานหลงรักปิดทองอยู่ในศาลาหลังนั้นแต่นทีน่คิดว่าจะเอาพระขาวพระหินขาว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 ทีนึงบอกว่าถ้าว่าเป็นหินดำหินแกรนิตแต่เป็นหินแข็งจะดีกว่าเนีน่ยแหละ ท, ทีนี้ก็พระที่ไหนแต่ให้ก็มีเยอะทุกวันจุกบ้านเมืองจเจริญใครๆก็อยากจะทําบุญสร้างพระแต่ตามไม่จริง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 ในครั้งพุทธเจ้าไม่มีในตำรานะไม่มีใครที่จะทำทำรูปเหมือนพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าพระริพานมาแล้ว300ปนะีตามตำรานะในพระไตรปิฎกคือพยามิลินกับนาคเกษ น, นาคเกษก็คือเป็นสมณีนาคเกษและกับพยามิลินโต้ปัญหากันมิลินท์ปัญหา พวกเราอ่านพวกเราจะรู้ในมิลินทปัญหาพยาพิลินไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์เท่านั้นนะพระนาคเกษนีก็อธิบายตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้จะไปตายแล้วศูนย์ได้ยังไงแต่นี่ก็เลยถกเถียงกัน มีเป็นปัญหาขึ้นมาเล่มบักใหญ่นะอ่านดูแล้วก็น่าศึกษาเหมือนกันแต่ว่าจะถามอย่างที่พูดแล้วไม่ก็คงจะเป็นข้าวโคงเป็นข้าวโคงไว้อยู่ปัญยาภิรินกับนาคเกษนะแต่พ้นที่สุดพระนาคเกษก็ได้ทําเป็นอันนี้ขึ้นมาทําเป็นหลอ่อเป็นพระพุทธรูปขึ้นมา ให้คนได้กราบได้วายก็เลยเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว3ามรอปีอันนี้คือตำราหนึ่งาพูดมาแต่ตำราหนึ่งพูดขึ้นมาก็คือพญามารพญามารเาพระอุปคุต อันนี้อยู่ในในตำร า, านะพระไตรปิฎกนะพระอุปคุตสมัยหนึ่งเมือ่อพญาธรรมโสกราชฉลองที่สร้างเกดี8ป0 0 0สี่พันในประเทศอินเดียทีนี้ก็มีพญามารจะมาลังควานมาลังแก่ไม่ให้ฉลองนะนี่ก็พระโมคคริบุตรติสเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ท่านก็มองว่าเนี่ยผู้ที่จะปราบพยามารได้ก็คือพระอุปคุดแต่พระอุปคุดนี่อยู่ในใต้น้ำมหาสมุทรอยู่ในใต้น้ำต้องไปกราบราธนาท่านขึ้นมาเพื่อจะสแสดงอิทธิฤทธิ์ปกป้องไม่ให้อันไหนที่เป็นอัปมงคลเกิดขึ้นในในงานได้ อันนี้คือพระพุทธเจ้าพระริเนปานไปแล้วนะส0มร้อกว่าปีแล้วอันนี้ตําราใหม่ตําราเกิดขึ้นมาใหม่แต่เนี่ก็พระอุปคุดก็ได้รับอัราธนาเกิดขึ้นมาขึ้นมากับเป็นผู้ดูแลให้คําว่าดูแลเหตุการณ์ดูแลเรื่องเล่าต่างๆในลักษณะอย่างนั้นะเป็นผู้คุ้มครองคุ้มกันแต่พยาบาลก็พยาบาลจะมาแย่งมามาชิงผลที่สุดก็ พระอุปโคตรก็เลยเอสู้กับพญามารพญามารไม่มีโอกาสผลที่สุดเน่นยะ ม, มันทําไมพญามารมันรังแกรังควานมากอพระอุปโคตรก็เลยเสกหมาเน่าหนังหมาเน่าแขวนคอพญาพญามารเพราแขวนคอพญาบานพญามาร ม, มันใครเข้าหมาเน่าแขวนคอเลย พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันมันเหม็นขนาดไหนพยามารนนะ่ยวิ่งไปให้ใครแก้ให้ก็แก้ไม่ออกเลยวิ่งไปถึงชั้นพรมพรมก็ไม่แก้ให้แก้ให้ไม่ได้ใครเป็นคนใครเป็นคนแขวนคอกันนะไปหาคนนั้นนะออพระยามารเนี่ยก็เลยไม่หาที่ไหนไม่ได้เนะลยก็เลยมาหาพระอุปคุตพระอรหันตะ์เห็นเป็นพระอุปคนะุตท่านก็ บอกว่าตอนนี้ไปอย่าไปรังแกอย่าไปรังควานใครนะถ้าขืนทำไปอีกจะไม่แก้ให้พยามารก็อยอมทุกอย่างพยามารยอมทุกอย่างพอยอมทุกอย่างแล้วก็ระอุปกุธเลยแก้ให้แก้ให้ยอมเป็นลูกศิษย์นะพระอุปคุธก็เลยถามว่าพยามารเป็นยังไงพระพุทธเจ้าน่ะเป็นรูปลักษณะอย่างไรที่พยามาร ไปรังควานรังแก่พยาบาลก็เลยจําแรงจําแรงรูปว่าพระพุทธเจ้านะมีลักษณะอย่างนี้ล่ละคนละ้ายๆว่าจําแรงนิรมิตรตัวเองให้เหมือนพระพุทธเจ้านะอาพอจําแรงปุ๊บนั่งอย่างนี้พระพุทธเจ้ า, าพระอุปคุตกราบเลว็วงี้ยเถะกราบพระพุทธเจ้า พยาบาลเขบอกทัดๆๆอุ่ากราบอุ่ากราบข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเป็นพยามาลไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยงนั้นเออข้าพเจ้าจําแลงให้ให้ดูให้ดูเฉยๆอยเออพระาพระอุปคูตเขบอกว่าเราไม่ได้กราบเราไม่ได้กราบพยามาลเรากาบพระพุทธเจ้านู่นเราลำเลิกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่กราบเราไม่ได้กราบพยามาลเพราะพยามาลก็คือพยามาลอยู่แล้ว เราจะไปกราบทำไมพญามารแต่พยามารจําแรงตัวจําแรงรูปร่างให้เหมือนพระพุทธเจ้าเอโอ้พระพุทธเจ้าขนาดได้เชี่ยวเลเนี่ยสวยงามขนาดได้เชี่ยวเลิศเลยพยามารอยู่ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านะเห็นพระพุทธเจ้าทุกอริยบทการแกล้งพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่อย่างในพระไตรปิฎกนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพยามารก็เข้าไปขอนะสมควรแล้วล่ะ ท่านพระพุทธเจ้าค่ะสมควรจะปรินิพานนั้นแหะเพราะเทศนาว่าการามากระยาวนานแล้วนะพะพุทธองค์ก็ออืพุทธบริษัทของเราก็พร้อมที่จะโต้วาทะกับทุกคนได้วาทะของเราที่ให้ไว้กับสาวกเนี่ยเพียงพอจากนั้นพระองค์จึงโปรงสังขารจะปรินิพาน แผ่นดินไหวสถานวันไหวไปหมดในในช่วงนั้นจากนั้นก็พระอานน์จึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานได้โป่งสังขารเสร็แล้วพระอรนุลก็กราบทนาขอให้คืนคําพระพุทธองค์บอกว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่คืนคําเพราะเราให้นิมิตแก่พระอานนุ์หลายครั้งหลายหนแต่พระอานุ์ก็ไม่ได้สนใจ นิมนใหน้นิมนเราเอาไว้เราก็เลยจะปฏิเิพานตามที่พระยามารขอนะี่ยแหะนี่คล้ายๆว่าพยามารเนี่เกิดในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการเคียงคู่กันมาสมัยที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสูนะ้กับพยามารมาลังควานมีช้างมีอะไรมารบกวนรัดบัลลังก์ของพระพุทธเจ้านะ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 เรากราบพระพุทธเจ้าที่ท่านจำแรงให้ดูเนี่ยคือพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอรบเลื่อมใสพระรำคาสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงกราบท่านนี่แหละจะมาเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งทีนี่คนคนอื่นเขาว่าเนี่ยชาวพุทธนี่โง่พอสร้างพระพุทธโลกขึ้นมาเป็นหินเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทองเหลืองขึ้นมาก็กราบ กราบหินกราบปูนกราบหินกราบทรายถ้ากราบอย่างที่เขาว่าเนี่ยก็โง่จริงๆนะพอเห็นก้นหินที่ไหนก็กราบพอห็นทองเหลืองอยู่ที่ไหนก็กราบเผอิจะไปเห็นทองเหลืองอยู่ในร้านเขาเขาไปกราบทองเหลืองในร้านเขาเขาอีกเพราะเป็นเพราะถือว่าเป็นเป็นทองเหลืองฮอแต่ที่เรากราบเนี่เพราะว่ายเราปั้นขึ้นมา จำลองขึ้นมานี่คือพระพุทธรูปคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเราไม่เห็นแต่คนโบราณเขาทาสืบทอดกันมาหลายร้อยหลายพันปีที่เราขุดค้นขึ้นมาได้ก็นี่ลักษณะอย่างนี้พระพุทธรูปเนี่ยแต่พระพุทธรูปจีนก็อีกลักษณะหนึ่งพม่าก็อย่างหนึ่งอินเดียก็อย่างหนึ่งไทยก็อย่างหนึ่งขมเขมรก็อย่างหนึ่ง ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันอย่างเมืองไทยของเราปางไหนต่อปางไหนปางอู่ทองปางลบปุรีปางไหนแต่ลักษณะก็คล้ายคลึงแต่ก็ไม่เหมือนกันลักษณะท่าทางของพุทธะนี่สรุปแล้วก็คือเราไม่ได้กราบเหล็กหินปูนทรายทองเหลืองทองแดง เห็นเรากราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเนี่ยประทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรอันนั้นคือยกเป็นเป็ น, ปนรูปขึ้นมาเหมือนกันบรูปพ่อรูปแม่ของเรารูปพ่อรูปแม่แล้วกราบพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยให้พระคุณเราอย่างไรพ่อแม่ของเราก็สอนให้ เลี้ยงดูเรามาเลี้ยงดูเรามาให้ความรู้เรามาให้สมบัติเรามาตั้งแต่ร่างกายหัวจุดเท้าได้มาจากพ่อแม่นี่แหละอันนี้คือพระคุณของของพ่อแม่ถ้าเราไปกราบกราบกระดูกหรือพ่อแม่ตายไปกราบกระดูกพ่อแม่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุไรที่เรากราบกระดูกพ่อแม่ก็ล้ำลึกถึงพระคุณที่ว่าท่านให้กับเรามาพ่อแม่ให้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 ลำลิศถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่อตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็บรรยายไม่จบพเพราะเพศไรเพราะพระคุณของพระพุทธเจ้านี่มีมากมายเหลือล้นคนานาพระคุณของพ่อแม่ก็เหมือนกันท่านลูกที่มีปัญญาแล้วก็ล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อืออันนั้นพ่อแม่ก็สอนอันนี้พ่อแม่ก็บอกอันนี้พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่ก็เลี้ยง ข้าวน้ำโภชนาะอาหารผ้านุ่งหม่มแต่แต่เราเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดจนถึงมาบัดนี้ถ้าเราบรรยายไปแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุไรพราะลูกมีปัญญาถ้าลูกโง่เชอย่างเดียวเท่านั้นนะมดถ้าลูกโง่ทำไมเสือกให้เรามาเกิดเกิดแล้วไม่เลี้ยงดูเราอีกต่างหากเกิดมาแล้วให้เราทุกข์เรายากอีกต่างหากพ่อแม่นะี่แย่มาก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 ขดเข้ายากหมักแพงนะมาเกิดในยุคนั้นนะนะอันนั้นแปลว่าเรามีกรรมพามาเกิดนเพราะฉะ น, นั้นขอให้พวกเรานะให้ตั้งความตั้งใจตั้งความปรารถนาไว้ในใจเกิดพบใดชาติใดก็ขอให้บ้านเมืองอยู่ได้ความร่มเย็นเป็นสุขอแล้วก็ให้อุดมสมบูรณ์อย่าให้มี ภ, ภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ขอให้ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนา ให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้พบพ บ, บัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้พบหลักเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นธรรมอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันให้อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขมีความเห็นสัมมาทิฏฐิให้มีเป็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยกันอย่าให้อยู่กับพวกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดมีแต่จะหักล้างหักผานกันมีแต่จะฆ่า ฟันลันแทงกันมีแต่จะ เ, เบียดเบียนอาฆาตพยาบาทจองเวรกันถ้าเราเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นทุกนะเพราะนั้นตั้งความปรารถนาในใจให้เกิดอยู่ในยุคบัรดิตนักปราชญ์ให้ยกในพบพระพุทธศาสนาให้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เกิดในข้างพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกให้เกิดใน อยู่กับบันฑิตนักปลัดเนี่ยแหละลงพอวาถ้าเกิดถ้าเลือกเกิดได้นะเกิดอย่างนั้นนะแต่มันก็ยังว่านะไอ้พวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็คิดไม่ดีก็มีในใจ้คิดไม่ดีน่ะกรรมที่ไม่ดีก็ต้องเกิดพูดไม่ดีก็มีอีกทำไม่ดีก็มีอีกเนี่ยนะมันก็เลยไปตามกระแสกระแสที่มันคิดไม่ดีทาไม่ดีพูดไม่ดีเพราะนั้นพวกเราที่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 การพูดออกมาก็ชั่วนในเมื่อชัวนะ่วแล้วเมื่อทำคิดชัวนะช่วแล้วทาชั่วพูดชัวนะ่วเลยเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วที่เราทำลงไปนะั้นจะตามสนองเราถึงนะเมื่อเราไปพูดเขาก็เอาคาพูดของเรามาฟ้องร้องขึ้นมาอีกในเมื่อเราไปทำเขาไปทำให้เขาเไปทำที่ไหน เ, เขาก็จะเอาความชั่วของเราที่เราทำไว้นะเอามาฟ้องร้องเราอีก น, ะนี่นแหละ